ภาวนาเป็นชื่อของการทำให้เกิดให้มีขึ้นทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นโดยเฉพาะก็ในจิตใจจิตใจของผู้ของคนเรามีทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่เลยงแลไม่ได้รับการพัฒนา ไม่ได้รับการทำลูกบำรุงความจริงแล้วเราดำรงชีวิตมาตั้งแต่นู้น ون. จะมาถึงบัดนี้เราก็ใช้จิตใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดแต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลม่นำซ้ำไม่ทราบไม่รับรู้ได้ซ้ำไป ไม่ได้คิดเจรนาะไม่ได้คิดถึงมันเลยความจริงแล้วเราจะอยู่สบายหรือไม่สบายจะดีหรือไม่ดีก็ย อ, อยู่ที่ใจทั้งขึ้นคาว่าดีใจคําว่าเสียใจอย่างนี้เราก็รู้จักดีดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงก็รู้จักดีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยได้คิดว่ามีใจ ไม่ได้ลำลึกถึงใจสักทีอันนี้จึงเป็นปมด้อยเป็นส่วนด้อยของพวกเราเกิดมาตั้งแต่ต้นจนถึงบางทีรือเกือบจะตายแล้วเกือบจะหมดอายุกนะ็ปล่อยให้มันเป็นส่วนที่ล่าหลังอยู่ตลอดเวลาคนเราที่ไม่ไม่มีความสมดุลกันในตัวของตัวเองอย่างนี้แหละ ที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สมไม่สมปารถนาไม่สมใจพก็เพราะอันนี้จิตใจไ ม, ไมไ่ได้รับการพัฒนาเลี้ยงแล้วถ้าเปรียบเสมือนเด็กเรามีลูกลฟ้าแฝดอีกสองคนคนหนึ่งเอาใจใส่ดีอ้วนท้ว น, วนสมบูรณ์ใหญ่โตเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแงแรงอีกคนนึงพร้อมกระรอง ไม่ได้รับการดูแลเลยดูแลก็ไม่ดูแลรับรู้ก็ดูมึนไม่รับรู้ส่งเสริมให้อาหารทามึกบำรุงไม่ได้ส่งเสริมรักษาก็ไม่ได้รักษาเจ็บใค้ได้ป่วยไม่ได้รักษาถ้าเปรียบลูกฟ้าแสเนื้อก่อ็น่าสงสารมากแต่ว่าการจะทาอะไรทั้งหมดก็ให้ ย, ยันเลยนะ ใช้จิดให้ใจให้ตลอดเวลาเราจะทำอะไรอยู่ก็ต้องมีการรับรู้ทั้งนั้นใจเป็นตัวไปประกอบมีส่วนประกอบด้วยทั้งนั้นดังนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่จะกลับมาสนใจเรื่องใจของตนเองในเมื่อเราใช้เวลาเป็นอันมากของชีวิต ไปสนใจเรื่องล่างกายมันก็พอแรงแล้วจนกระทํามันเติบโตเติบใหญ่ได้ล่วใช้เวลาเปมากในขณะที่ยังมีเวลาเหลือนี่เนี่ยเราเอาใจใส่ในการจุดอีกข้างหนงึ่งสักหน่อยคือฝึกใจจ้าให้ความสนใจแก่จิตใจตนเองอย่างนี้อาจจะพันอาจจะทําให้อีกภาคส่วนหนึ่งของเรา จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาหรือว่ามีจักยภาพมีความสามารถมีความเติบโตมีความเข้มแข็งขึ้นมาพัดเทียมกับอีกภาคหนึ่งคือกายก็าอาจจะเป็นได้เพราะในเมื่อเป็นอย่างนั้นจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เราเกิดมาอยู่ในโลกอาจจะได้พบกับความดีความประเสริฐความสมบงัง ความอยู่สบายความเต็มผู้เต็มคนสักครั้งหนึ่งก็าอาจจะเป็นได้จิตใจนี่ถ้าเราจะมาสนใจสักหน่อยจะเห็นความบกพร่องความบกพร่องของจิตของใจนี่ถ้าแยกเป็นส่วนใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอย่างที่หนึ่งก็คือว่ามันอ่อนแอมันอ่อนแอเลือเกินอย่างที่สองก็คือมัน มันโง่มันไม่ฉลาดเลื่อเกินเนี่ยมันอ่อนแอก็เกียจเสมือนว่าไม่กินข้าวกินปลาอาหารไม่ได้ไม่ได้รับอาหารเสริมไม่ได้กินหยกกินย า, ว, าวิตามินเสริมอะไรบำรุงร่างกายบำรุงตัวของมันไม่เคยได้มีเลยอ่อนแอไม่แข็งแรงอันนี้อันหนึ่งผู้ที่ รู้จักวิธีที่จะปรับุงจิตใจหรือบำรุงรักษาให้มีความแข็งแรงหรือให้มีความเฉียกระด้าคือพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกให้ดูแลดูแลจิตใจด้วยสองวิธีคือวิธีสมาะิกับวิธีปััชนาสองวิธีนี่แหละถ้าใช้สองขนานถ้าเป็นยาก็อิดยาสองขนานนี่แหละอ่า ถ้าเป็นวิชากับสองวิชานี่แหละจะเป็นวิธีการที่ทําให้ใจิตใจเติบโตมีปัจจัยอิภาคแข็งแรงขึ้นมาเทียบเข่ากับอีกภาคหนึ่งคือร่างกายด่าร่างกายเนี่ยเรามาอายุมากแล้วบางทีเห็นแล้วว่าพึ่งไม่ได้มันแก่หมันเท่าแส้งขาหลายคนแล้วแส้งขาไ ม, ไม่ยอมให้พึ่งแล้ว ต่อไปก็จะรู้จักว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเหมือทั้งหมดมันมันถึงพึ่งแล้วต่อไปอยากจะไปไหนมันก็ไม่ไปแล้วก็เห็นแล้วบางทีเราฝึกด้านจิตใจขึ้นมานี้อาจจะพึ่งจิตคุณใจบ้างก็ได้ในเมื่อสีกเนื้อพึ่งไม่ได้แล้วอีกที่หนึ่งจะมีความหวังว่าจะพึ่งได้การฝึกใจฝึกให้มีกำลังฝึกโดยสมร t h สมาธะกอบด้ฝึกสมาธิฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อปัญญะการฝึกสมาธิคือจิตตั้งมัน่นจิตเราที่ไม่มีกำลังก็คือจิตที่ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่อย่างเช่นว่าจิตกำลังจับอารมณ์หนึ่งอยู่แล้วมีอารมณ์อื่นมากระแทกหรือมีอารมณ์อื่นเข้ามาปรากฏ ก็ไม่สามารถรงอยู่กับอารมณ์เก่าได้กระโดดไปจับอารมณ์อื่นนันนั้นเรียกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมัน่นกับพิจิตไม่มีกำลังจะยืนอยากอยู่ในเรื่องเดียวก็ยืนไม่ได้ถ้ามีอะไรมาปรากฏหรือมากระทบถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนว่ามีอารมณ์ลมลมมาพัด ก็ล้มไปเสแล้วติวไปตามลมเสแล้วคืออารมณ์มากระทบเข้ากับติวไปตามอารมณ์นั่นเลยจิตไม่มีกําลังแค่นี้ฝึกฝึกให้มีกําลังโดยพยายามฝึกสมา ธ, สมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นฝึกให้จิตตั้งมัน่ในในนี้การจะฝึกให้จิตตั้งมัน่นมันต้องอาศัยคุณธรรมของอย่างคือสติสติ ความระลึกจับสำปราัญญะคือความรู้ตัวถ้าเราอยากจะรู้ตัวอันไหนอยากจะทําให้ความรู้จับตัวอันไหนเราก็ระลึกถึงอันนั้นเราอยากจ ะ, ะรู้อยากจะรู้ตัวเราเองเราก็ระลึกกลับมาที่ตัวเองก็โดยเฉพาะในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธองค์จรัส ตัดเอาไว้ที่เป็นประสูตใหญ่มากอันนี้เป็นประสูตใหญ่ที่ตอดจัดบอกว่าให้ระลึกกลับมาที่ตัวเองเพอร ะ, ระลึกมาที่ตัวเรานี่มันก็จะรู้ตัวจยางเราระลึกมาถึงตัวของเราระลึกว่าอปิยาบทเรานั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินหรือยืนหรือนอนอยู่นี่เรียกว่าเราจะมารู้ปิยาบท ถ้าระลึกกลับมาแล้วก็มันจะรู้มันจะรู้ไว้นั่งอยู่ mm. ให้ระลึกกลับมาอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะรู้พุโทโธอย่างเราจะภาวนาเอาพุโทโธเป็นกรรมบุญกรรมเราก็ระลึกมาที่พุโทโธมันก็มารู้พุโทโธถ้าสมมติไม่ระลึกกลับมาเนะี่ยย่างมันก็ไม่รู้นานก็ไม่รู้หลายวันก็ไม่รู้ถ้าไม่ระลึกกลับมา เราจะต้องระลึกซะก่อนระลึกว่าบัดนี้เรามีพุโทโธอยู่ยไหมพอเราลึกถึงพุโทโธมันก็อยู่แล้วอ๋อมีมจิตใจระลึกคิดนี่อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เรารู้อย่างนี้หือจะระลึกมาที่ลมหายใจระลึกกลับมาถ้าไมระลึกกลับมานะมัวระลึกไปถึงกรุงเทพเลย สีเชียงใหม่เอ่ยอุดรเอ่ยมันไม่รู him, so here, so discover, oh, ้หรอกไม่รู้ลมหายใจแหละแต่ถ้าระลึกกลับมานี่แหละกลับมาที่เรานี่แหละแล้วระลึกกลับมาที่ลมหายใจมันก็จะรู้ว่าอ๋อมีลมหายใจอยู่นี่รู้ว่ามีลมหายใจอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะการระลึกกลับมาที่ตนเองแล้วระลึกกลับมาที่ลมหายใจอันนี้เรียกว่าสติการระลึกกลับมาเรียกว่าสติ การรู้ตัวรู้สิ่งที่เราระลึกเรียกว่าสัมปทัญยะใช้สอ ง, งอันนี้ก่อนใช้คุณธรรมสองอันนี้เราระลึกกลับมาคือท่านให้กําหนดลมหายใจก็ไม่ ก, ก, ก็กำหนดลมหายใจคนอื่นกําหนดลมหายใจเรานี่แหละเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่กลับมารู้เหมือนเดียวับมาระลึกไปสุดระลึกกลับมาตรงนี้ ถ้าก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้จักลมหายใจออกก็รู้จักอันนี้ละ่ะทําอย่างนี้ละ่ะคือวิธีวิธีปฏิบัติวิธีฝึกให้จิตใจหนึ่งเกิดมีความตั้งมั่นเราเอาพุโทโธมาให้มันตั้งมั่นหรือเราเอาลมหายใจมาให้จิตตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ เมื่อเรารู้อยู่ประลมหายใจก็แปลว่าจิตของเราจับอยู่กระลมหายใจถ้าจับอยู่ได้นานๆ น, น, นั่นแหละเป็นที่พึงประสงค์แปลว่าจิตมันมีกาลังมันตั้งมั่นอยู่กระลมหายใจแล้วนั่นนนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิทีนี่สมาธิหนึ่งมันจะมากจะน้อยถ้ามันมากมากขึ้นเขาก็เรียกว่า อุปจารสมาธิบาณฑอัปปนาสมาธิหรงอคณิกาสมาธิมั่งทำมันเล่น้อยเขาก็เรียบคณิกาสมาธิทามันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจะทิ้งอารมณ์อื่นข้างนอกจะทิ้งแหลนี้ทิ้งแหล่นั่นะเป็นอุปจารสมาธิถ้ามันทิ้งอารมณ์ข้างนอกหมดทุกอย่างแม้กระทั่งลมหายใจมันก็ทิ้งมันไม่รับรู้น่น อันนั้นเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเป็นสมาธิถ้ามันอยู่กับอารมณ์เดียวได้ไม่นานก็เดี๋ยวกับเห็นเห็นไปนู่นบ้างคิดหน่อยแล้วก็นึกได้แล้วกลับมาใหม่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิอยู่แต่ว่ายังไม่เก่งจะเป็นได้ก็เป็นนณิกสมาธิบางถ้ามันเกี่ยวไปถ้ามันได้ยาวหน่อยก็เป็น อุปจารสมาธิคือมันบางทีก็รับรู้เรื่องอารมณ์อื่นบางทีก็ไม่รับรู้นะอันนั้นเป็นอุปจารสมาธิถ้ามันนิ่งเงียบเข้าไปหมดเลยไม่รับรู้อะไรข้าง น, นอกอารมณ์ตัวต่างๆไม่รับรู้หมดเลยมันเป็นอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าจิตใจที่อยู่ไม่เที่ยวเพ่นผ่านไปไหนบ่อยอยู่กับอารมณ์ไหนก็ อ, อยู่กับอารมณ์นั่นได้มั่นอันนั่นเป็นสมาธิ ถ้าจิตมีสมาธิดีก็หมายความว่ากําลังของจิตของใจมีมแล้วมีมีกำลังแล้วมีกําลังทีนี้เราทำนี่เราฝึกฝึกให้มันเป็นเมื่อเป็นแล้วก็จนให้ทํานานให้ทํานานแล้วจึงจะเรียกว่ามีกําลังลักษณะของจิตที่มีกําลังมันจะปรากฏออกมาในรูปร่างรูปลักษณะว่า เราจะตั้งใจไว้ฟังอะไรตั้งจิตกำหนดอยู่กับเรื่องอะไรมันก็อยู่ได้ใครจะมาพูดอะไรใครจะมาทำเรื่องอะไรมีเสียงกระโตกกระจากอะไรหรืมีแสงแว บ, บๆะวบอะไรคิดใจไม่ไปเลยไม่ไปเนี่จะต้องอยู่กับเรื่องนั้นได้ได้ตลอดไปอันนั่นเรียกว่าจิตมีกำลังแล้วสมาธิดีนั่นแหละคือจิตมีกำลัง อันนี้มีประโยชน์มากถ้าจิตมีกำลังแล้วเราจะเอาไปพิจารณาอะไรที่มันละเอียดละเอียดลึกซึ้งมันก็สามารถจะพิจารณาได้คล่องแท้แจ่มชัดถ้าสมาธิเราไม่พอกำลังของใจหคือสมาธิไม่พอมันมีน้อยพอจะไปพิจารณาอะไรที่ละเอียดหน่อยพอพิจารณาไปหน่อย เดี๋ยวมีอารมณ์อื่นมามันก็วอกแวกไปอีกอ่าหมายความว่าส่วนเจตปลิวไปกับอารมณ์นั่นก็แสดงว่าแข็งแรงยังไม่พอมันก็ปลิวไปตามอารมณ์การพิจรารณาเรื่องนั้นๆที่เราต้องการจะพิจรารณาจะให้มันเข้า อ, อกเข้าใจได้แจ่มแจ้งได้ละเอียดละออนมันก็เลยไม่ถึงละเอียดชัดทีอ น, นั่นเลยว่าสมาธิไม่พอคือกําลังของจิตไม่พอนั่นเอง จะต้องฝึกใหม่ฝึกเพิ่มเติมอีกฝึกให้สมาธิดีให้กำลังของจิตของใจคือภาพสมาธิให้เจ่งให้ชานาญฝึกจนชำนาญให้สามารถกาหนดลงสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ให้ทำอย่างนั้นได้นานเท่าไหร่เรายิ่งสามารถนําไปทิจจารณาสิ่งต่างๆ ละเอียดละอสามารถพิจารณาได้ละเอียดก็ไปจนลึกซึ้งถึงที่สุดได้ที่พวกเราเดือดร้อนอยู่ทุกอยู่กับเรื่องต่งางๆนี่ก็เพราะว่ามันหลงมันหลงก็คือไม่ฉลาดก็คือพิจารณาอะไรต่งางๆมันไม่ถึงที่สุดสักที่มันไม่ทะลุไปถึงความจริงสักที่ก็อย่างที่เราเคยทราบนั่นแหละ พิจารณาไปก็ไปถึงตรงรัดตรงชังตรงสวยตรงสิเลยตรงผูตรงผิดไปถึงแค่ตรงดีตรงั่วเท่านั้นมันไม่เลยไปถึงที่สุดของมันที่สุดของมันนะคืออานิจจังคือทุกขังคืออนัตตานงีมันก็ไม่ไปถึงก็้ีพอไปถึงสวยถึงไม่สวยแล้วก็จิตใจจะล้ลมเหลวก่อนลวนเร็วก่อนมันก็เลยไม่ต่อ ถ้ากำลังของสมาธิกำลังของจิตคือสมาธิาเพียงพอมันสามารถข้ามตรงนี้ไปได้มันสวยกว่าจิ้งมันขี้เลวกว่าจิ้งมันน่ารักกว่าจิ้งมันน่าทังกว่าจิ้งแต่ว่ามันจริงงก็ไปยิ่งกว่านั้นมีไหมนั่ น, นแหละมันถึงจะทะลุไปถึงว่ามันสวยกว่าจิ้งแต่มันเป็นอนิจจัง มันเป็นทุกขังและมันเป็นอนัตตาเป็นเรื่องของแกไม่ใชเรื่องของเรามันจะเป็นลวงถึงที่สุดเป็นอนัตตานั่นแหละที่จะเข้าใจความจริงทั้งหมดสิ่งต่างๆล้วนเป็นอย่างนั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามดเราที่ไม่ทะลุไปถึงอนัตตาสักทีก็เพราะแรงไม่พอ แรงก็คือสมาธิก็คือกำลังของจิตของใจมันไม่พอไม่พอที่จะพาจิตพาใจพะลุไปถึงความจริงนั่นแหละเมื่อไม่ไปถึงความจริงมันก็ขาพวกๆเยีย็นๆอยู่นี่แหละมันก็หลอกเอาว่ามีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีความตั่ว น, น่ารักน่าฉันก็เกลือกกลัวอยู่นี่วนไปวนมา เทียวปุดเที่ยวเกิดอยู่ในระหว่างทุตระหว่างทุกขระหว่างดีระหว่างตัวระหว่างสวยระหว่างที่เลเนี่ยเที่ยวเกิดเที่ยวปุดเทีเ่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในแวดวงเนี้ยทะลุไปไม่ได้เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละทั้งหมดนี่เกี่ยวกับชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วไม่รู้ว่าโบกมากี่ตลบกี่รอบแล้ว ก, ก็ไม่รู้เพราะงั้นนั่นไมเข้าใจใช่เราที่ มาวนวนเวียนเวีย น, นอยู่นี่เนะนี่ยหนีไปไหนก็ไม่หลอดเนะี่ยเพราะมันเรียนวิชาของพระพุทธเจ้ามันไม่จหลอดอยังทำได้ไม่ตลอดเราก็ควรจะตั้งอกตั้งใจวิชาที่จะเรียนก็รู้แล้ววิธีจะทำก็รู้แล้วทำให้มากๆเจริญให้มากๆเจริญจิตเจริญจิตสัญญะเจริญสมาธิให้มากๆ ให้จนมีกำลังเพียงพอเมื่อใดที่ได้ไปพิจารณาสิ่งต่างๆก็ให้พิจารณาน้อมไปในพิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนําคือน้อมไปให้เป็นอนิจจังทุกขั้งนับตาถึงจะสวยถึงจะไม่สวยแต่ก็ลองคิดต่อไปอีกน้อมต่อไปอีกถัดจากสวยแล้วมันคืออะไรมันคืออนิจจัง ถึงจะสวยมันก็เป็นอนิจจังคือมันไม่สวยอยู่นานหรอกนะมันสวยไปเดียวเดียวซึ่งมันจีเกลย์มันกดจีเกลยอยู่จะมันจีเกลย์เดียวเดียวความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆความเป็นไปของสิ่งต่างอยู่ชั่วประเดียวประเดาตรงนั้นเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าอนิจจังนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาอยู่แค่อย่าไปคิดไปคาอยู่แค่แค่นี้ แครสวยแคร์ไมส่สวยแค่ถูกแค่์ผิดอย่าไปคิดอย่างนั้ให้คิดเลยต่อไปอีกถึงจะสวยถึงจะถูกถึงจะผิดจะดีจะทั่วแต่มันเป็นอนิจจังนี่มันเป็นทุกขังเริ่มเป็นมันเป็นอนัตตาคือมันเป็นเรื่องมันจะสวยหรือไม่สวยมันเป็นเรื่องของมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเราเราจะไปยุ่งเขาทําไมสรุปแล้วก็คือเราจะไปยุ่งเขาทำไม พอถึงตรงนั้นแล้วถ้าจิตใจที่เป็นธรรมจิตใจที่มีความเฉลียวฉลาดเข้าอกเข้าใจอะไรเต็มที่แล้วมันไม่ขี่ช่อหรอกมันไม่ไปตู่เอาอะไรหรอกมันก็วางเอานั้นเนี่ยพอเมื่อวางเนี่ยทุกสิ่ทุกอย่างที่มันหนักอกหนักใจที่มันกวนอกกวนใจมันก็ลุดไปท่านั้นเนมื่อมันวางแล้วหมดกัน จะพ้นทุกได้ก็เพราะอันนี้เพราะการปล่อยการวางร่างกายพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนของโลกเป็นส่วนของดินน้ำปมเป็นของประกอบโลกเขาแต่การจะพ้นนี่พ้นได้ด้วยใจส่วนร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปจิตใจไม่เดือดร้อนด้วยนี่สามารถทำได้แต่ก่อนทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีความคิดความเห็นไม่ไปถึงอันนี้อยงไม่ไปถึงทุก ข, ขั่างไม่ถึงอนัตต า, าสักผีอะไรอะไรก่อนนึกว่าเป็นของเราเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของเราเหยียดหยามเราดูถูกเรารักเราทังเรามันก็เลยเราทั้งนั้นในบวกเข้าไปได้วยกันทั้งกายทั้งใจมันบวกเข้าไปได้วยกันความจริงแล้วถ้าจิตใจฉลาดมันจะรู้จักสลดัดรู้จักปล่อยรู้จักวางเดี๋ยวนี้มันไม่ฉลาด มันจึงไม่รู้จักปล่อยเหมือนเด็กนี่นะเทียบแล้วเหมือนเด็กเนี่ยเด็กมันกาไฟก็อยู่เนี่ยจับไฟก็อยู่แล้วมันจะร้องให้มันไม่รู้จักคือมันยังไม่ฉลาดถ้ามันฉลาดมันก็วางเสียมันก็หายร้อนเท่านั้นแหละก็หายร้องให้เท่านั้นแหละเนี่ยมันเหมือนกันอย่างนั้นทีเดียว ต่อไปนี้ฟังเทศหลวงปู่นะนั่งโหนากำหนดใจเนระื่องของใครของมนะัน